วันนี้เป็นวันเสาร์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรม มาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆของพระพุทธศาสนาสาหรับวันนี้เราก็จะมาฟังเรื่องราวของมรดกของพระพุทธเจ้ามรดกของพระพุทธเจ้าคืออะไรมรดกของพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธศาสนานี่เองเป็นมรดกอัน้ําค่ามีคุณค่าราคามากยิ่งกว่า ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ต่อให้มีเงินทองเพชรนินจินดากองเท่าภูเขาคุณค่าราคาของเพชรนินจินดาของเงินของทองกองเท่าภูเขานี้ก็จะยังไม่สามารถเทียบได้กับคุณค่าของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าของพวกเรานี้เป็นเหมือนมหาเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกมีทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าที่ไม่มีใครมีได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ส่งหงัวแหนทรัพย์สมบัติของพระองค์ส่งมอบให้กับพุทธบริษัทมอบให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธา มีความเลื่อมใสมีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ได้เป็นผู้รับกองมรดกอันนี้เพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะสามารถเทียบได้สิ่งนั้นก็คือมากพผนนิพพาน มรรคสีพ้นสีนิพพานหนึ่งเป็นวิธีทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์จากกองจากการเกิดแก่เจ็บตายจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ไม่ว่าจะมีคุณค่าราคามากน้อยเพียงไรก็ตามไม่สามารถที่จะ ซื้อหรือพาให้ผู้ที่มีทรัพย์สมบัติอันมากมายเหล่านี้สามารถบรรลุมรรผลนิพพานได้สามารถหลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้มีพระพุทธศาสนาที่เป็นมรดกของพระพุทธเจ้านี้เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นในโลกที่จะสามารถนำพาสัตว์โลก ให้หลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้บรรลุ ถ, ถึงมรรคผลนิพพานได้อันนี้แหละเป็นของอันล้ำค่าของอันที่มีคุณค่าต่อจิตใจของสรร์โลกทั้งหลายทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของและได้มอบเอาไว้ให้กับโลกนี้ เพื่อให้สัตว์โลกที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้จะได้อาศัยพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องพาให้ไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงวิธีที่พุทธศาสนิกชนผู้ที่มีมีสิทธิรับมรดกอันล้ำค่านี้จะสามารถ ใช้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้และสามารถรักษาพระพุทธศาสนาเพื่อส่งต่อให้กับอนุชนรุ่นหลังต่อไปได้นั้นจําเป็นที่จะต้องมีการกระทําตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้สขั้นตอนด้วยกันถ้าพวกเราอยากจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนา คือได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ดูดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดและอนุรักษารักษาพระพุทธศาสนาเพื่อส่งต่อให้กับอนุชนนุ่นหลังต่อไปเราจํำเป็นที่จะต้องมีการกระทาตามที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนให้กระทาไว้4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนเหล่านี้จำเป็นที่จะต้อง การทำเป็นขั้นเป็นตอนไปต้องทำจากขั้นที่หนึ่งไปสู่ขั้นที่สองจากขั้นที่สองไปสู่ขั้นที่สามแล้วจากขั้นที่สามไปสู่ขั้นที่สี่ถึงจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดถ้าทำขั้นตอนทำข้ามขั้นตอนแล้วจะไม่ได้รับประโยชน์อันควรที่จะได้รับเคยจะไม่ได้ บรรลุมรผลนิพพานหลุดพ้นจากวองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดและจะไม่ได้อนุรักษ์พระพุทธศาสนาให้อนุชนรุ่นหลังต่อไปได้ดังนั้นเราควรที่จะทำความเข้าใจและมาศึกษาขั้นตอนของการกระทำที่พทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบอยสัตย์กระทำกันว่ามีอะไรบ้าง นะทำอย่างไรขั้นที่หนึ่งท่านสอนให้เราศึกษาพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงฆ์สาวกเรียกว่าปริยัติธรรมปริยัติธรรมแปลว่าการศึกษาพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อศึกษาแล้วรู้แล้วว่าเราต้องกระทําอะไรบ้างเพื่อให้จิตของเราได้หลุดพ้นจาก กองทุกข์แข่งการเวียนว่ายตายเกิดได้บรรลุมรรคผลนิพพานเราก็ต้องนําเอาไปปฏิบัติแล้วต้องปฏิบัติแบบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่คือขั้นที่สองสุปฏิปันโนการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิปฏิบัติในสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติถ้าอยากจะบรรลุมรรคผลนิพพาน ท่านก็สอนให้เราปฏิบัติทานศีลแล้วก็ภาวนานี่การปฏิบัติทานศีลภาวนาพอเรารู้แล้วว่าเราต้องปฏิบัติทานเราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เลยมีอะไรเข้าของเงินทองมีเครื่องใช้ไม่สอยอะไรที่เหลือกินเหลือใช้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เอาไปทำบุญทำทาน รักษาศีลห้าศีลแปดศีลสิบตามลําดับศีลสองร้อยีบจ็ตามกําลังนี่คือขั้นที่สองเรียกว่าปฏิบัติขั้นแรกเรียกว่าปริยัติปริยัติแล้วก็ปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติอย่างเคร่งคัดปฏิบัติอย่างสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็จะได้เข้าสู่ขั้นที่สามที่เรียกว่าปฏิเวท ปฏิเวกก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆบรรูุตั้งแต่ขั้นแรกไปจนถึงขั้นสูงสุดถึงขั้นพระนิพพานหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์วิมุตติต้องเกิดจากการปฏิบัติและการจะปฏิบัติให้ถูกต้องให้หลุดพ้นได้ก็ต้องเกิดจากการศึกษาปริยัติเราต้อง รู้ว่าเราการทําทานทำอย่างไรการรักษาศีลรักษาอย่างไรการภาวนาภาวนาอย่างไรให้ถูกต้องเพราะการกระทําเหล่านี้สามารถทําแบบไม่ถูกต้องได้ทําทานแบบไม่ถูกต้องก็มีรักษาศีลแบบไม่ถูกต้องก็มีแล้วก็ภาวนาแบบไม่ถูกต้องก็จะไม่สามารถทําให้ได้เกิดผลขึ้นมาคือปฏิเวทขึ้นมา ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นี่ก็คือขั้นที่สามมันจะพามันเป็นเหมือนลูกโซ่พอเราศึกษาแล้วมันก็จะพาให้เราไปสู่ขั้นที่สองคือการปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วมันก็จะพาให้เราไปสู่ขั้นที่สามก็คือปฏิเวทบรรลุมรรคผลนิพพา น, น, นได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวง แล้วก็พอได้ขั้นที่สามแล้วมันก็จะพาไปสู่ขั้นที่4ก็คือการเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมคำสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปไแล้วถ้ามีการเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมคาสอนจากผู้ที่บรรลุมรรคผลมิพานคาสั่งคำสอนก็จะเป็นคำสอนที่มีประสิทธิภาพที่มีประสิทธิผลที่จะทำให้ผู้ที่มาศึกษา และน้อมนำเอาไปปฏิบัติสามารถบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกันนี่แหละคือวิธีการที่เราจะทำให้ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาประโยชน์ของเราก่อนเมื่อเราได้รับประโยชน์เราได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเราก็นำความรู้นี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้สนใจ อย่าไปสอนคนที่ไม่สนใจคนในโลกนี้มีทั้งที่สนใจและไม่มีไม่สนใจคนไม่สนใจอย่าไปเสียเวลาถึงแม้ว่าจะอยากปาถนาให้เขาได้หลุดพน้นแต่ถ้าเขาไม่สนใจมันก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเขาได้ครูบาอาจารย์ท่านเคยเปรียบว่าเหมือนกับเทน้ำใส่หลังสุนัข สุนักมันไม่ชอบน้ำพอเทใส่เข้าไปมันจะสลัดทิ้งไปหมดเพราะว่าคนที่ไม่สนใจธรรมะเอาเอาหนังสือธรรมะไปให้อ่านไปคุยเรื่องธรรมะก็ไม่อยากจะคุยไม่อยากจะอ่านด้วยยันเราอย่าไปเผยแผ่รธรรมะคำสรร่งคาสอนอ น, นเสริฐให้กับคนที่ไม่เห็นคุณค่ า, คคาเห็นความสาคัญขอ ง, ของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ไว้เผยแผ่ให้กับผู้ที่สนใจเราคุยกันพอเขาไม่สนใจล้วพอเรารู้ว่าเขาไม่สนใจเราก็ควรที่จะยุติเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรไปคอยบังคับเขานี่มันก็เลยทำให้เขาต่อต้านมากยิ่งขึ้นไปซี่ปล่อยให้เขาเมื่อถึงเวลาสักวันหนึ่ง เขาอาจจะเห็นคุณค่าของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้ต้องรอเวลาที่คนเรามีความทุกข์ก่อนต้องรอเวลาที่กำลังต้องหาที่พึ่งแล้วที่พึ่งที่พึ่งต่างๆที่เคยมีเช่นลาบยศสารเสรญ ส, สุขนี้ไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้ก็จะต้องเข้าหาธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเอง เมื่อเขาสนใจแล้วทีนี้ไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปชวนเขาจะมีไฟในตัวของเขาเองเขาจะศึกษาเขาจะเรียนรู้เขาจะเขาจะสอบถามอะไรต่างๆของเขาเองขึ้นมานะการถุยแผ่ทํานี้ต้องทำให้ถูกขั้นถูกถูกวิธีไม่เช่นั้นแล้วมันจะไม่ได้ผลประโยชน์หนะ้า จ, จะไปสร้างความลำคาญให้แก่ผู้อื่นได้ ทั้งๆ ท, ที่เป็นของมีคุณค่าราคามาหาศาลแต่ผู้ที่จะรับของเขาไม่เห็นคุณค่าราคาเขาก็จะลำคาญใจแล้วก็จะทำให้เขาเบื่อหน่ายต่อศาสนาได้ต่อต้านศาสนาได้เพราะฉะนั้นขั้นที่สี่นี้ต้องต้องเป็นผู้ที่บรรลุธรรมแล้วถึงเผยแผ่สั่งสอน เพราะผู้ที่บรรลุธรรมนี้จะไม่มีความหิวโหวยอีกต่อไปในจิตใจไม่มีความอยากได้อะไรจากใครเลยแนมะ้แต่นิดเดียวการที่จะสั่งสอนนี้ก็สั่งสอนด้วยความเมตตากรุณาสั่งสอนเพราะเห็นว่าเขายังตกอยู่ในกองทุกข์อยู่และคำสอนอันประเสริญนี้จะสามารถช่วยให้เขาได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดยได้ ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะช่วยเขาให้พ้นทุกข์ได้นอกจากคำสั่งคำสอนของพ่อพุทธเจ้านี้เท่านั้นแต่เขาจะต้องเป็นผู้ที่ต้องการคำสอนนี้ถ้าไม่ต้องการสอนไปก็เสียประโยชน์เสียเวลาเหมือนเทน้ำใส่หลังสุนัขน้ำเทเขาไปทลายสุนัขมันก็สะบัดเท้งไปหมดเก็บ <c oughs> เอาไว้ให้กับ ผู้อื่นดีกว่าผู้ที่เขาต้องการแต่คนที่บรรลุขั้นที่สามแล้วจะรู้จะรู้อยู่ในใจเพราะไม่มีความอยากที่จะไปสั่งสอนใคแต่เมื่อเห็นว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเขาต้องการความรู้ก็จะช่วยเขาแต่จะไม่ได้ช่วยด้วยความอยาก อยากสอนเขาอยากเป็นอาจารย์ของเขาอยากจะให้เขาได้บรรลุมรรคผลนิพพานหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ในใจของผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วจะไม่มีความอยากอะไรหลงเหลืออยู่ในใจเลยแนมะ้แต่นิดเดียว mm hmm. เพราะผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ mm hmm. ก็ต้องกําจัดความอยากต่างๆให้หมดซึ่งไปจากใจเท่านั้นเองถ้าเรายังมีความอยากที่จะเผยแพร่ธรรมะให้แก่ผู้อื่นนี้ ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงอาจจะบรรลุด้วยจินตนาการในความรู้สึกนึกคิดของเราแต่ความเป็นจริงแล้วใจของเรายัางดิ้นยังมีความอยากอยู่แม้แต่อยากจะช่วยพูด น, นี้ก็เป็นตัณหาความอยากเป็นกิเลส ท, ที่จะพาให้ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อยู่ดัง <c oughs> นั้นต้องคอยสังเกตดูตัวเราก่อน เราต้องกำจัดความอยากต่างๆที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ของใจให้หมดสิ้นไปก่อนเมื่อหมดความอยากแล้วทีนี้มันไม่อยากแล้วก็ต้องใช้เหตุใช้ผลมาบังคับให้มันทำพระพุทธเจ้าในครั้งที่ทรงตัดสรุปใหม่ๆนี้ก็ไม่มีความอยากที่จะสอนใคร<ม> อ, อันหนึ่งก็เห็นว่ามันเป็นของที่ไม่ใช่เป็นของง่ายธรรมะที่ได้ คนพบนี้เป็นธรรมะที่จะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยทีเดียวแล้วใครล่ะที่อยากจะเอาชีวิตมาเดิมพันกับธรรมะอันเลิศอันประเสริญนี้ <c oughs> เพราะทุกคนนี้รักตัวกลัวตาย <c oughs> แล้วก็ปรารถนาจะหาความสุขผ่านทางชีวิตนี้ <c oughs> เรื่องอะไรที่จะต้องมาเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ร่างกายหรือชีวิตนี้ เพื่อให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้จะไม่มี ม, มีน้อยคนมากเ<ม>บื้องต้นก็คิดว่าคนคนทั้งหลายในโลกนี้เป็นอย่างนี้ไปหมดแต่หลังจากได้มีเวลาได้แยกแยะดูก็เห็นว่ามีคนแบ่งเป็นระดับระดับเป็นคนที่เห็นคุณค่าของการหลุดพ้นจากกองทุกขก็มีม คนที่ไม่เห็นคุณค่าก็มีก็เลยเลือกสอนคนที่เห็นคุณค่าของการที่จะหลุดพ้นจากกองทุกคนที่ไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปาะมาเกิดมาทีไรก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะมาเกิดร่ำรวยขนาดไหนก็ตามเกิดใหญ่โตขนาดไหนก็ตาม ก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายมาได้ <c oughs> ถ้าใครมีความรู้ความคิดอย่างนี้ก็พระพุทธเจ้าก็ยินดีที่จะเผยแผ่สั่งสอน <c oughs> แต่พวกที่ยังไม่พร้อมพวกที่ยังอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อยู่หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ ก็ไม่ใช่เป็นพวกที่จะสั่งสอนธรรมะให้กับเขาได้เพราะเขาไม่พร้อมเขาไม่ยินดีที่จะศึกษาที่จะปฏิบัตินั่นเองสอนพวกเหล่านี้ก็จะเสียเวลาไปปล่ า, าสอนพวกที่สนใจพวกที่อยากจะศึกษาอยากปฏิบัติจะดีกว่าจะได้ประโยชน์จะได้ผลไม่เสียเวลาอันนี้คือขั้นตอนของการ ดำเนินการของพระพุทธศาสนามีอยู่สี่ขั้นตอนด้วยกันต้องทำเป็นขั้นไปขั้นที่หนึ่งต้องศึกษาให้รู้ก่อนว่าเราต้องปฏิบัติอะไรบ้างเพราะถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่รู้จะปฏิบัติอะไรกันเช่<ม>นถ้าไม่ได้ศึกษาก็จะไปกินเจกันช่วงนี้กินเจกันหรือว่ากินเจนี้จะเป็นบุญจะเป็นกุศลมันไม่ได้เป็นหรอก ถ้าเป็นพวกสัตว์ที่กินผักกินหญ้ามันก็ได้บุญมากกว่าเป็นได้ได้บุญมากกว่ามนุษย์ mm hmm. การกินผักกินอะไรนี่ไม่ได้มีบุญไม่ได้เป็นกุศลแต่อย่างใด mm hmm. แต่การมีบุญมีกุศลนี่เกิดจากการรักษาศีล mm hmm. จากการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตท mm hmm. างทางถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่เข้าใจ ไปติดกับการกินเจแต่ก็ยังไปตบมดตบยุงไปฆ่ามดมแมลงอะไรต่างๆอยู่อย่างนี้ก็กินเจไปก็ไม่ไม่เป็นประโยชน์เป็นนําเป็นการอําพรางให้ตนเองไปทําบาปโดยไม่รู้เสกตัวคิดว่าโอ้ยเรากินเจแล้วฆ่ามดไม่เป็นไรฆ่ า, มาแมลงไม่เป็นไรฆ่าสาัตว์ตัดชีวิตไม่เป็นไรอันนี้มันก็เป็นความหลงเป็นการเข้าใจผิดเพราะไม่ได้ศึกษา เขาทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองถึงแม้จะเป็นเมืองพุทธก็ตามถึงแม้จะเป็นชาวพุทธก็ตามบางทีก็ยังไปหลงกินเจกันอยู่<ม>เพราะคิดว่ากินเจแล้วจะพาให้ไปไปนิพพานกันไปไม่ได้หรอกถ้าไปได้พวกวัวควายมันไปก่อนมนุษย์แล้ววัวควายมักินกินเจตลอดชีวิตกินผักกินหญ้า อันนี้เพราะไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยไม่ได้ศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยทําแบบผิดผิดถูกถูกเมื่อทำแบบผิดผิดถูกๆูผลที่ควรจะเกิดก็จะไม่เกิดนั่นเองเห็นเบื้อ ง, งต้นนี้ต้องศึกษาก่อนขั้นตอนวิธีการปฏิบัติที่จะพาให้จิตใจ ได้หลุดพ้นออกจากกองทุกแห e 知知่งการเวียนว่ายตายเกิดว่าต้องทำอะไรบ้างเมื่อรู้แล้วว่าต้องทำทางต้องรักษาสีงต้องปฏิบัติกิตภาวนาก็ต้องดำเนินการต่อไปอย่าศึกษาเพียงอย่างเดียวศึกษาศึกษาคิดว่ายิ่งศึกษามากยิ่งได้ความรู้มากเพราะเพราะใจไปดงที่มีอยู่ใน ที่มีคาสอนอยู่มากมายถึงแปดห0่สี่พันธรรมบทนี้ก็สอนลงไปในเรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์สอนไปอยู่ในเรื่องของทานสีนภาวนานี้เท่านั้นไม่จําเป็นที่จะต้องไปเรียนให้ครบพระไตรปิฎกก่อนแล้วค่อยไปปฏิบัติตอย่างไรขอให้รู้เพียงเข้าค่ารู้ว่าเราต้องทำอะไรทำทานอย่างไรรักษาสีอย่างไรภาวนาอย่างไร เท่านี้ก็พอแล้วพอต่อการที่จะนาเอาไปปฏิบัติเพื่อที่จะทําให้ใจได้กำจัดความทุกข์ต่างๆได้กำจัดเหตุที่พาให้ใจต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเรื่อยๆให้หมดสิ้นไปศึกษาความรู้เหล่านี้ซึ่งมันก็มีรายละเอียดมากมายกลายกองที่เราจะต้องค่อยๆศึกษาไปเป็นขั้นเป็นตอนไปก่อน ขา้นทานเริ่มต้นเราเริ่มต้นที่ขั้นทาบุญทาทานก่อนเราก็ต้องมาศึกษาว่าการทำทานที่ถูกต้องนั้นทำอย่างไรทำเพื่ออะไรการทำทานนี้เป้าหมายหลักก็คือให้เรามากำจัดความโลภความอยากเพราะเป้าหมายของการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้เกิดจากการกำจัดความโลภความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปเช่ mm hmm. นความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายที่เรียกว่ากามฉันทะหรือกามาตัณหานี่ไอตัวนี้ความอยากตัวนี้แหละที่จะดึงพาให้ดวงวิญญาณหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หม่กลับมาเกิดมีตามีหูมีจมูกนิ้นกาย เพื่อที่จะได้ไปเสพรูปเสี ย, กยงกลิ่นรสผลทพะใหม่นั้นเป้าหมายของการทำทานก็คือเอาเงินที่เราจะไปใช้กับการไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้เอาไปทำบุญทาทานให้หมดจะได้ไม่มีเงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเงินนี้มีไว้สาหรับซื้อของจำเป็นได้อยู่เงินไว้ซื้อของจำเป็นคือปัจจัยสี่ ที่เราจะต้องมีไว้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายเพราะถ้าร่างกายขาดประจัยสี่ร่างกายก็จะพิกลพิการหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะกลายเป็นอุปสตรรคต่อการปฏิบัติทานศีลภาวนาของเราได้เราก็ต้องพยายามรักษาร่างกายให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่พิกลพิการ นี่คือเงินทาวที่เราต้องมีไว้สำหรับการเลี้ยงดูร่างกายคือต้องมีไว้ซื้อปัจจัยสี่ซื้ออาหารซื้อเครื่องนึ่งหม่มซื้อที่อยู่อาศัยซื้อยารักษาโรคแต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นของหรูหราเป็นของฟุ่มเฟือยเอาพอพออยู่พอได้เรียกว่าสมถะเรียบง่ายมากน้อยสันโดษพอถ้าเราใช้ของหรูหราใช้ของแพง มันก็จะต้องเสียเวลากับการไปหาเงินมาใช้มันก็จะเอาเวลาที่เราต้องเอาไปใช้กับการปฏิบัติจิตตภาว น, านีจิตตภาวนานี้ไปเราต้องการที่จะเอาเวลาไปใช้กับการปฏิบัติจิตตภาวนานให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เอาเวลามาเลี้ยงดูร่างกายนี้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้น้อยที่สุด ตัวอย่างของพระพุทธเจ้าก็คือให้กินมื้อเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้าฉันมื้อเดียวทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยการไปบินธบาตวันนึงก็ทำแค่ชั่วโมงเดียวก็พอไปเดินบินทบาตชั่วโมงหนึ่งได้ได้อาหารกลับมาพอกินอยู่แล้วส่วนเครื่องนุ่งหม่มกมรยที่พุทธเจ้าใช้กันก็คือผ้าที่เ้าทิ้งไว้แล้วในป่าชา้าเรียกว่าผ้าหอ่อศพผ้าบางสกุล ไม่ต้องไปเสียเงินไม่ต้องไปหาเงินไปซื้อเสือ้อไปซื้อผ้ามามาตัดมาซักมายับมาเย็บมาย้อม ม, มีของของดีๆเขาทิ้งไว้ในป่าช้ากันสมัยก่อนเวลาคนตายเขาไม่เอาไปฝังเรือเอาไปเผาเขาเอาไปทิ้งในป่าช้าให้มันเน่าเปื่อยไปอาจจะเป็นเพราะขี้เกียจต้ังขี้เกียจขุดหลุมฝังศพ ก, กันขี้เกียจไปหาฟืนหาไฟมาเผาน่างกาย เอาไปทิ้งไว้ให้มันเน่าเปื่อยไปเดี๋ยวมันก็ย่อยสลายกลับไปคืนสู่ธาตุเดิมอยู่ดีกลไปกืนสู่ดินน้ำลมไฟคนสมัยโบราณนี่ฉลาดรู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่มีการตัดไม้ทําลายป่าไม่มีการเอาทําลายดินอะไรด้วยการขุดดินขึ้นมาปล่อยให้ร่างกายนี้มันเน่าเปื่อยไปเองในที่สุดมันก็ย่อยสลายหายไปหมด กลายเป็นซากกระดูกเศษกระดูกกลายเป็นดินไปในที่สุดเวลาตายคนตายเขาก็เลยเอาผ้าห่อไว้มัดไว้แล้วก็ไปทิ้งในป่าชาร่างกายเน่าเปื่อยเหลือแต่เศษกระดูกผ้าก็เลยไม่มีความสำคัญก็มีผ้าทิ้งเกลื่อนอยู่ในป่าชานักบวชสมัยก่อนก็เลยไปเก็บผ้าเหล่านี้มาซักมายอ้อมมาตัดมาเย็บเป็นจีวรเป็นเครื่องนุ่หงห่ม นี่คือจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปทำมาหากินไปหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ใช้ให้น้อยที่สุดนักบวชสมัยก่อนนี้นิยมใช้เพียงผ้าหนึ่งสำรับหนึ่งชุดเท่านั้นผ้าต่หนึ่งชุดก็พอมีผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มสองสองผืนผ้าห่มผ้าห่มแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวมีสสามชิ้นด้วยกันผ้านุ่งเรียกว่าผ้าสมงผ้าห่มเรียกว่าผ้า จวรแล้วก็ผ้ากผ้าห่มกันหนาวเรียกว่าผ้าสังคติสมัยก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้ใช้ผ้าเพียงสามผืนเท่านั้นส่วนที่อยู่อาศัยก็หาไปอยู่ตามป่าตามเขาตามเงื้อผาเื้อผาตามถ้ำตามเลื่นล่างอยู่คนไม้ก็ไปหาเก่งไม้หาใบไม้มา มามุงมาบังไว้พอหลบแดดหลบฝนได้ก็พออยู่แบบนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายไม่มีค่าเช่าบ้านไม่มีค่าน้ำค่าไฟไม่มีอะไรจะได้ไม่ต้องเสียเวลาจะได้ไม่ต้องเอาเวลาไปทรมาหากินเพื่อที่จะเอามาใช้ใจ่ายกับปัจจัยสี่<ม>พระท่านนี้แสนฉลาดแต่เรื่องของการบริหารเวลาพราเห็นความสาคัญของการปฏิบัติจิตภาวนา การที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี้ต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติจิตตะภาวนาอย่างเต็มร้อยออคือตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยพระองค์ก็เลยทรงต้องใช้วิธีแบบนี้คือความมากน้อยสันโดษในการบริโภคปัจจัยสี่ส่วนยา ร, รักษาโรค ก, ก็รักษาไปตามบับถามตามตามราของแพทย์โบราณ ก็มีสมัยก่อนก็นิยมดองดองทำยาดองด้วยใช้น้ําปัสสาวะใช้น้ําปัสสาวะดองกับพวกผลไม้พวกสมอพวกมะขามพวกมะขามป้อมอะไรพวกนี้แล้วก็จะได้ได้ยาจากผลไม้เวลาเกิดโรคภัยไข้เจ็บเช่นปวดท้องปวดศีรษะปวดอะไรขึ้นมาก็ดื่มยาเหล่านี้ก็พอที่จะบรรเทาอาการปวดได้ ท่านก็อยู่กันแบบที่ไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายมากเมื่อไม่มีค่าใช้ใจ่ายมากก็ไม่ต้องไปหาเงินมากเมื่อไม่ต้องหาเงินมากก็ไม่ต้องเสียเวลามากเสียเวลาน้อยสำหรับพระเจ้าวันหนึ่งก็เสียเวลาแค่ช่วงไปบินธบาตเท่านั้นเองไปบิณธบาติไปรับอาหารจากชาวบ้านตามหมู่บ้านต่างๆส่วนผ้าก็ไปคอยเก็บผ้าใน ในในป่าช้าเวลาผ้าขาดผ้าเก่าแล้วก็ต้องการเปลี่ยนก็ไปเก็บผ้ามาซักย้อมมาตัดมาเย็บการย้อมผ้าก็ใช้เปลือกไม้เนี่ยมามาต้มน้ำจนกระทั่งมันมันมีสีออกมาเป็นสีสีเหลืองๆก็เอามาย้อมแล้วก็มาซักซักเพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคอะไรต่างๆที่ติดอยู่มากับผ้าซักผ้าซักย้อมผ้าให้สะอาด แล้วก็มาตัดมาเย็บ ด, ด้วยเข็มกับได้สมัยก่อนไม่มีไม่มีจักรไม่มีอะไรต้องตัดเย็บ ด, ด้วยมือทำด้วยมือกันนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดต้องอยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบสั ม, มถะเรียบง่ายลักน้อยสันโดษเอาน้อยๆเอาเท่าที่จำเป็น เอาพอให้อยู่ได้อย่าให้เสียเวลามากไปกับการเลี้ยงดูร่างกายเพราะยังมีงานที่ต้องทำอีกมากที่ต้องใช้เวลามากนี่คือเรื่องของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์ทรงปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการาทรมาหากินท่านพยายามอยู่อยู่แบบสมมถาเรียบง่ายอยู่แบบมากน้อยสันโดษอาหารก็ยินดีตามมีตามเกิด ไปบินส บ, บายมาเขาให้อะไรมากินก็กินไปกินเหมือนกินยาไม่ได้กินเพื่อรสชาติไม่ได้กินเพื่อความอรรถอร่อยอกินเพื่อดับความหิวเท่านั้นเองป้องกันความหิวไม่ให้เกิดขึ้นอดับความหิวที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ป้องกันไม่ให้ความหิวเกิดขึ้นจนกว่าจะถึงเวลาในวันต่อไปคือวันรุ่งขึ้นกินข้าววันละมื้อก็พออยู่ได้ อ, อ, อ น, นี่แหละเป็นวิธีที่จะทําให้ ไม่ต้องหาเงินมากแต่สำหรับสมัยนี้คนที่ยังไม่เคยศึกษาธรรมานี้ก็จะต้องเห็นคุณค่าของการมีเงินมีทองกันก็พยายามทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจให้กับการไปหาเงินห า, หาทองจนไม่มีเวลาที่จะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันแล้วก็ต้องไปทุกขกับการดิ้นรนกับการหาเงินหาทองทุกขกับการใช้เงินใช้ทองอีก พอได้เงินมาแล้วก็ต้องมาทุกว่าจะไปใช้ที่ไหนดีไปกินที่ไหนดีไปเที่ยวที่ไหนดีไปดูอะไรดีไปฟังอะไรดีถ้าอยากจะไปแล้วไม่ได้ไปก็ทุกขึ้นมาอีก mm hmm. เนี่ยเอาเงินทองเหล่าเนี้ยที่เราเอามาใช้กับของที่ไม่จําเป็นคือการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายนี้เอาไปทําบุญทําทานดีกว่า mm hmm. เพื่อที่เราจะได้ตัด ตัดตัวที่จะมาคอยดึงให้เราต้องกลับมาเกิดในไตเกิดในการมมาพบอยู่เรื่อยๆคือกลับมาเกิดมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เรื่อยๆก็คือกามาตั้หาความอยากหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เช่นเราอยากจะพายหาความสุขจากการไปเที่ยวเราต้องเก็บเงินไว้เท่าไหร่ถึงจะไปเที่ยวได้เพราะพอเราจะเอาเงินก้อนนี้ไปเที่ยวพู้ทธเจ้าบอกว่าเอาไปทําบุญทําทานดีกว่า จะได้ตัดความอยากได้เพราะถ้าเราอยากไปเที่ยวแล้วเราไม่ไปเที่ยวนี้เอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญเพราะถ้าเก็บเอาไว้เดี๋ยวมันก็สู้ความอยากไม่ได้ถ้ายังมีเงินติดมืออยู่เดี๋ยวความอยากมันก็หลอกให้เราไปเที่ยวจนได้แต่ถ้าเอาเงินไปทำบุญหมดแล้วนี้ก็ไม่มีทางจะจะหลอกยังไงก็ไปไม่ได้เพราะไม่มีเงินไปนี้แหละคือเป้าหมายของการทาทานคือตัดความอยาก การตัดการอยากจะใช้เงินทองเพื่อซื้อความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายไปให้มีเงินทองเอาไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็เลี้ยงดูแบบสมถะเรียบง่ายมากน้อยสันโดยไม่ใช่เลี้ยงดูแบบมหาเศรษฐีต้องอยู่บ้านหลังละหลายสิบล้านกินอาหารมื้อละหลายพันหลายหมื่นไม่ใช่ไม่ใช่เลี้ยงดูแบบนี้ถ้าเลี้ยงดูแบบนี้มันก็ยังเป็นเรื่องของกิเลสอยู่เรื่องของตัหาอยู่ เรื่องการอยู่แบบรูหลานี่ก็เป็นเรื่องกา ม, มาตหาอยากจะกินแบบรูหลายังกินอย่างอร่ออร่อยมีรสมีชาติอันนี้ก็เป็นกา ม, มาตหาอยู่บ้านที่รูหลาสวยงามมีอะไรต่างๆให้ดูให้พ เ, เพลิดเพลินใจอันนี้ก็เป็นกา ม, มาตหาใช้เสื้อผ้าที่สวยงามวิจิตรพิสดารมีราคาแพงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของกา ม, มาตนะเหมือนกัน ยารักษาโรค ก, ก็ต้องรักษาโรงพยาบาลรู้หละเหมือนไปอยู่โรงแรมแล้วก็ต้องช้ยาราคาแพงแพงใช้หมอราคาแพงแพงคิดว่าหมอแพงยาแพงจะป้องกันความตายได้คามจริงโรงพยาบาลราคาแพงแพงหมอแพงแพงนี้ก็มีคนตายมีคนไข้าตายกันเยอะแยะไปเมื่อถึงเวลาจะตายคนเราหนีไม่พ้นหรอกไม่ว่าจะมีเงินมีทงไว้รักษามากน้อยเพียงไรก็ตาม เงินทองนี้ไม่สามารถยับยั้งความตายได้เมื่อถึงเวลาที่ร่างกายมันจะตายขึ้นมานี่แหละเลี้ยงดูแบบกิเลสตัณหาเลี้ยงดูแบบรู้ละเลี้ยงดูแบบฟุ่มเฟือยแล้วมันจะทำให้เราอ น, นี้จะไม่มีเวลาที่จะไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมกันจะเอาเวลาไปหาเงินหาทองมาเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายอย่างรู้ละอย่างฟุ่มเฟือย แล้วก็เอาเงินทองไปเลี้ยงกามะตัะหาความอยากอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรล ด, ด้วยการไปซื้อข้าวซื้อของหรูหราต่างๆของฟุ่มเฟือยต่างๆหรือไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปหลังตามหลังบันเทิงต่างๆมอห์รศบต่างๆเหล่านี้เป็นการเลี้ยงการเวียนว่ายตายเกิดให้มีมากขึ้นเลี้ยงกามะตัะหา กิการมาตัญหานี้ยิ่งเลี้ยงมันมันยิ่งโ ต, ม, งตมันยิ่งอยากได้มากขึ้นพามันไปเที่ยววันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันอยากจะไปเที่ยวมากกว่านั้นมากกว่าวันนี้ตอนต้นก็เที่ยวในประเทศก่อนเที่ยวสักพักเบื่อแล้วต้องไปต่างประเทศตอนต้นก็ไปเที่ยวใกล้ๆบ้านก่อนต่อไปก็อยากจะไปให้มันไกลขึ้นไกลขึ้นไปเรื่อยๆ ต่อไปเที่ยวในโลกนี้หมดแล้วก็ไปเที่ยวนอกโลกกันนะั้วอันนี้มีจองตั๋วขึ้นเครื่องยานอวกาศขึ้นไปท่องเที่ยวในอาวากาศกันแนะ้วเนี่ยตั้นหาความอยากเนี่ยมันถ้าไปเลี้ยงมาแล้วนี่มันจะดูดเอาเงินทองของเราที่หามาแทบเป็นทับตายนี้ไปหมด mm. มีเงินมีทองในกระเป๋าแล้วมันจะทําให้ร้อนขึ้นมาต้องรีบควักออกไปทันทีเก็บไว้แล้วเหมือนมันจะเผากระเผากระเป๋าเราให้ไหมอย่างนะั้น เลยต้องเอาคว้ากออกมาใช้ให้มันหมดพอหมดแล้วเออสบายใจสบายใจได้ไม่กี่วันเดี๋ยวก็ต้องไปหามาใหม่เพราะความอยากไปเที่ยวมันไม่มีวันหมดมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นมามากขึ้นไปเรื่อยๆวิธีที่จะทำให้มันหมดมนี่ก็ต้องมาด้วยการฝืนความอยากอยากไปทำตามความอยากอยากไปเที่ยวเนี่ยเช่นอาทิตย์หน้ามีวันหยุดสามวันวางแผนจะไปเที่ยวที่นูน่นที่นี่กัน ก็ลองเอาเงินไปเที่ยวนี้ไปทำบุญที่วัดแล้วไปอยู่วัดแทนก็นได้ไปเที่ยววัดกันก็นได้ไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมสักสามวันนี่ <Yeah. S 1> อันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจะกำจัดการมาตัญหาความอยากทางการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่ลดได้ <Yeah. S 1> เอาเงินที่เราจะไปเที่ยวไปชื่อของฟุ่มเฟือยของหรูหราต่ตางๆเหล่านี้เอาไปทำบุญทําทาน ไม่ชอบไปวัดจะไปทำบุญทำทานที่อื่นก็ได้ชอบทำบุญกับใครที่ไหนทำได้หมด mm hmm. ข้อสำคัญก็คืออย่าเอาเองินไปทำตามความอยากของเราทั้งเองเอาไปทำบุญ mm hmm. เพื่อจะได้มันจะได้ตัดตัดหนทางสำหรับการที่จะทำให้กามาตัญหาความอยากเสดกามของเรานี้ลดน้อยลงไป mm hmm. พอเราไม่มีเครื่องมือจะไปเสดไม่มีเงินทองจะไปเที่ยว ครั้งต่อไปความอยากเที่ยวมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าการที่เราเอาเงินไปทําบุญนี้มันก็ทําให้เราได้ได้ความสุขอีกรูปแบบหนึ่งคือความสุขแบบความอิ่มใจเพราะเราไปลดกําลังของความอยากให้น้อยลงนั่นเองทั้งนี้เราอยากร้อเปอเซนต์พอเราเอาเงินเทองไปทําบุญทําทานเราก็ลดความอยากลงไป 20% หรือ3 0มความอยากที่ทําให้เรารู้สึกหิวโหย มันก็น้อยลงไปมันก็เลยทําให้ใจของเรารู้สึกมีความอิ่มมีความสุขเกิดขึ้นมาอันนี้แหละคือเรื่องหน้าที่ของการทําทานที่แท้จริงอยู่ที่การมาตัดทางเดินของของกิเลสตัณหากา r m a ตัณหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสไม่ให้มั น, ไ ม, มนมไม่ให้มันมีทางเดินไม่ให้มันมีโอกาสเจริญเติบโตเหมือนบอลใส่ต้นไม้ เวลาต้นเราต้องการบอนไซต้นไม้นี่เราต้องคอยตัดกิ่งตัดก้านของมันอย่าปล่อยให้มันโตไปตามเรื่องของมันพอมันเริ่มจะโตขึ้นมาเราก็ตัดมันออกไปตัดกิ่งตัดก้านไปต้นไม้มันก็จะไม่ใหญ่โตกิเลสตัณหาก็เช่นเดียวกันเราต้องคอยตัดมันอยู่เรื่อยๆถ้าเราตัดมันได้แล้วมันก็จะมันก็จะไม่เจริญเติบโตการที่มันจะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ การการทำทานนี้ก็เป็นช่วยการลดการเวียนว่ายตายเกิดลดภพชาติให้น้อยลงไปกำลังที่อยากจะไปเวียนว่ายตายเกิดมันจะน้อยลงไปจากการทำบุญทำทานของเราอันนี้เป็นส่วนแรกของการที่เราจะมาตัดความอยากต่างๆไม่ไม่ให้มันเจริญงอกงามให้มันเริ่มหดตัวหดตัวด้วยการาตัดทางเดินของมันคือเงินทอง เงนทองที่เราเคยใช้ตอบสนองความอยากนี่เราเอาไปทําบุญทําทางชี้ให้หมดมันจะได้ไม่มีทางเดินเมื่อไม่สามารถทําอะไรตามความอยากได้ความอยากก็จะหดตัวลงไปทุกครั้งที่อยากแล้วเราไม่ไปทําตามความอยากความอยากมันก็จะอ่อนกําลังลงหดตัวลงไปคราวหน้าความอยากมันก็จะมีกําลังน้อยลงไปตามลําดับอันนี้ต่อไป เราก็จะไม่ใช้เงินเพื่อไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเลยเราก็จะเปลี่ยนเอาเงินทองนี้ไปทำบุญทำทานถ้าเราอยากจะปฏิบัติทำขั้นสูงต่อไปเราก็ต้องมีที่ปฏิบัติเราก็ต้องไปอยู่ตามวาดัดวัดที่มีสถานที่สงบสงัดเราก็เอาเงินนี้ไปทำบุญทำทานให้กับวดัดเพื่อวัดจะได้มีสถานที่ให้ผู้ที่สนใจกับการปฏิบัติ ก็ได้มีที่ปฏิบัติอาจจะขยายขอบเขตของวัดให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้มีที่ให้ผู้ปฏิบัติได้มาปฏิบัติมากขึ้นก็ได้อันนี้ก็เป็นวิธีการเรื่องของการทำทานเป้าหมายหลักก็คือหลักการของการทำทานก็คือการสกัดความอยากอย่าไม่ให้ไปทำตามความอยากถ้าจะใช้กับของที่ฟุ่มเฟือยของหรูหราีเรียกว่าเป็นการใช้ เพื่อตอบตนองกามตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะชนิดต่างๆอันนี้เราอยากไปทําไม่ทําแล้วไม่ตายรับประกันได้การที่ไม่ทําตามความอยากนี่ไม่มีวันตายไม่ได้ไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ไม่ตายไม่ได้ซื้อรองเท้าคู่ใหม่ไม่ได้ตายไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ไม่ตายไม่ได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไม่ตายไม่ต้องกลัวถ้าเรามีของเหล่านี้อยู่แล้วถ้าเรามีรองเท้าอยู่แล้วมีกระเป๋าอยู่แล้วมีเสื้อผ้าของเก่าอยู่แล้ว ก็ใช้ของเก่าไปก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ของใหม่แต่อย่างใดอันนี้หลักการของการทำทานก็คือการสกัดการลดความอยากให้มันน้อยลงไปเมื่อไม่มีเงินใช้ตามความอยากความอยากมันก็มันก็จะหดตัวลงไปเรื่อยๆต่อไปมันจะไม่มีความอยากไปเที่ยวที่ไหนอีกเลยมันอยากจะไปวัดมากกว่า ไปอยู่วัดแล้วไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติจิตตะภาวนาเอาเงินที่เราจะไปเที่ยวนี้เอาไปสนับสนุนวัดที่มีสถานที่ ส, สงบสงัดวิเวกที่จะสนับสนุนที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติได้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไปในทางธรรมนี่แหละคือเรื่องของการทําทานสําหรับผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องคอย บอนไซตันหาความอยากความอยากกามาตันหาต้องคอยบอนไซมันอยากจะไปเที่ยวก็บอนไซมันอยากจะไปซื้อของหรูหราของฟุ่มเฟือยก็บอนไซมันถ้ามันไม่จำเป็นจะต้องมีจริงๆก็อย่าไปทาตามมันแล้วต่อไปความอยากเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่า น, นี้มันจะหายไปหมดเลยรับประกันได้แล้วเราจะได้อยู่อย่างสบายไม่ต้องไปดิ้นลนคอยไปหาเงินหาทองมาซื้อของหรูหราซื้อของฟุ่มเฟือย ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราสามารถอยู่บ้านเฉยๆอย่างมีความสุขได้ที่ไหนจะมีความสุขเท่ากับบ้านของเราบ้านของเราเป็นที่กินที่อยู่อย่างสุขอย่างสบายเวลาไปเที่ยวต้องไปอยู่ตามโรงแรมต้องไปหาอาหารกินบางทีก็ไปเจออาหารที่ไม่ถูกอกถูกใจถูกปากเราอีกไปแล้วแทนที่จะมีความสุขก็กลับมีความทุกข์ไปก็ต้องเดินทางก็ต้องเสี่ยงภัยกับการเดินทางอีก อยู่บ้านของเราเนี่ยสุขจะตายไปแต่อยู่กันไม่สุขก็เพราะว่าตัวตันหาความอยากเที่ยวทท้งนี้แหละที่มันเป็นตัวที่ทำให้เราอยู่บ้านกันไม่ติดแต่ถ้าเราตัดตันหาตัวนี้ได้แล้วองค์สบายอยู่บ้านแสนจะสบายกินอยู่ก็แสนจะสบายนี่นคือเรื่องของทานข้อแรกที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราทำกันพยายามตัดตันหาความอยากที่จะใช้เงินใช้ทองหาความสุขต่างๆแล้วก็ ให้เรามารักษาปฏิบัติข้อที่สองก็คือการรักษาศีลการรักษาศีลก็มากำจัดความอยากที่จะไปทำบาสนี่เพราะถ้าเราปล่อยให้ความอยากพาเราไปทำบาสนี่แทนที่เราจะไปมิพารเราจะไปนรกกัน mm hmm. การทำบาสนี้จะพาให้เราไปไปไ ป, ไปอาบายไปเกิดในนรกไปเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างไปเป็นสัตว์นรกบ้าง หรือไปถ้าไปเกิดมีร่างกายเข้าไปในร่างกายของสัตว์เบลาชาญอันนี้ไม่ใช่ทางไปสู่พระนิพพานเราต้องตัดมันอย่าปล่อยให้มันทำตามความอยากในการทำบาปบาปก็มีอยู่4ข้อหข้อก็คือ 1. การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 2. การรักทรัพย์ของผู้อื่น 3. การประพฤติผิดประเพณีไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นแล้วก็4การพู ด, ดโกโกหกหลอกลวง แล้วก็ห้านี้ความจริงไม่ใช่เป็นบาปแต่ก็ต้องต้องรักษาก็คือการเสพสุรายาเมาการเสพสุรายาเมา่นี้ถือว่าเป็นอบายามุกยังไม่เป็นบาปเพราะว่ายังไม่ได้ไปทําร้ายไข่ดื่มสุรายาเมา่นี้ยังไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติิประเพณีไม่ได้พูดปดแต่คนที่ดื่มสุรายาเมานี้มักจะขาดสติและไม่มีสติพอที่จะยับยั้งเวลาเกิดความอยากฆ่าสัตว์ รักทัพย์ประพฤติผิดประเพณีพูดปดมันจะยับยั้งไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องเอามาใส่ไว้ในในศีลห้าด้วยอย่าดื่มสุรายาเมาถ้าอยากจะรักษาศีลข้ออื่นได้ต้องมีสติถ้าอยากจะมีสติก็ต้องไม่ดื่มสุรายาเมาพราะเวลาดื่มสุรายาเมาแล้วมันจะทำให้ไม่มีขาดขาดสติแล้วก็จะทำให้มันขาดฮิลิโอตปะด้วย เวลาไม่มีสตินี้คนเราจะไม่มีความยางอายในการกระทำบาปจะไม่มีความกลัวบาปแต่เวลามีสตินี้มันจะมีความรู้สึกอายเวลาที่เราไปทำบาปเวลาทำบาปนี้ไม่อยากจะให้ใครเขารู้ว่าเราทำบาป ก, กันถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆ จ, จ, จะไม่อยากจะทำเพราะมีความอายแล้วก็มีความกลัวบาป ก, กลัวว่าจะถูกจับไปลงโทษนั่นเอง งั้นอย่าดื่มสุรายาเมาถึงแม้ว่าถ้าดื่มแล้วมันมันไม่ได้ไปทำร้ายใครก็ตามแต่ถ้าดื่มมากๆแล้วเดี๋ยวมันก็หักข้ามจิตใจไม่ได้เกิด อ, อยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็อาจจะขับรถไปนขณนะที่มึนเมาขับรถมึนเมาแล้วก็อาจจะไปชนคนอื่นตายได้เกิดอ บ, บัติเหตุขึ้นมาผู้จ้าเราเลยต้องห้ามไม่ให้ไม่ให้ดื่มสุรายาเมาเพื่อที่จะได้มีสติไว้รักษาศีล คือการกระทำบาปไม่กระทำบาปสี่ข้อถ้าเราสามารถรักษาศีลห้าได้เราก็จะเปิดปิดประตูะบายได้เราก็จะได้ไม่ไปผิดทางทางที่เราต้องไปคือไปไปที่สูงเราไม่ต้องการลงต่าการทำบาปนี้เป็นการดึงให้ใจเราลงต่าและการทำบาปนี้ก็เกิดจากความอยากนั่นเองความอยากได้อะไรขึ้นมาอยากได้เงินได้ทองพอไม่สามารถทำงานทาการ หาเงินหาทองได้เท่าที่ต้องการก็จะใช้วิธีคอร์รัปชันมัน่งหรือช่อโกงลักทรัพย์ของผู้อื่นหรือถ้าหนักขึ้นก็ไปปล้นไปที่แล้วถ้าเกิดมีการต่อสู้กันก็ต้องมีการฆ่าฟันกันขึ้นมาอันนี้อันนี้เราต้องการสกัดความอยากที่ไม่ดีเหล่านี้ความอยากที่เกิดจากการใช้เงินนี่แหละอยากเอาเงินทองไปใช้เมื่อตอนเองไม่มีเงินทองก็เลยต้องไปทําบาปไปหาเงินด้วยการทําบาปขึ้นมา ถ้าเราลดการใช้เงินใช้ทองลงอย่าไปใช้ตามอำนาจของกิเลสตัณหาด้วยใช้แบบฟุ่มเฟือยใช้กับของที่มันมีแต่โทษเช่นใช้กับอบายามุขอย่างนี้เช่ชกบบาานชชการดื่มสุรายามาเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการใช้เงินไปกับสิ่งเหล่านี้มันจะดูดเงินที่เราไปอยู่ให้ไปจน ก, กระทั่งไม่พอใช้ แล้วเมื่อไม่พอใช้เราก็จะต้องไปหาโดยวิธีทุจริญกันไปโกโหกหลอกลวงไปลักทรัพย์ไปช่อโกงหรือไปโป้นไปจี้อันนี้เราต้องหยุดเหมือนอันนี้เป็นความอยากหยุดสกัดความอยากที่ไม่ดีเหล่านี้ไปอย่าไปทําอย่าไปเสพใบยมุกพยายามอย่าดื่มชุรายาเมาหรือ ย, า, า, เอ า, อยาเสพติดทั้งหลายที่จะทําให้เกิดอาการมึนเม า, เาบ้ากลั่งขึ้นมา แล้วจะทำให้เราต้องไปทำบาปแล้วเราจะต้องไปรับผิดทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกก็อาจจะถูกเจ้าหน้าที่จับไปติดคุกติดตารางทางธรรมหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือไปเป็นเปรตเป็นนสุลกายหรือไปเป็นสัตว์นรกนี่คือที่ไปของการทำบาปถ้าต้องการจะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด เราต้องไม่ทำบาปกันเพราะมันไม่ใช่เป็นทิศทางที่เราต้องการจะไปเราต้องการไปสูงขึ้นไปสูงมรรคผลนิพพานอ ย, อยู่อยู่ข้างบนไม่ได้อยู่ข้างล่างถ้าทําบาปใจเราก็จะลงไปข้างล่างถ้าเราไม่ทําบาปเราก็จะอยู่ในระดับที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้คือเป็นมนุษย์นี่เองถ้าเราเป็นมนุษย์เราถ้าเราลักษาศีลห้าได้เราก็ยังดำงรงลักษาความเป็นมนุษย์อยู่ได้เราก็จะไม่ลงต่า แล้วถ้าเราทําทานเราก็จะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นจากมนุษย์เราก็จะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นเทวดาแล้วถ้าเราอยากจะไปไปสู่พระนิพพานเราก็ต้องยกระดับจิตใจของเราให้สูงจากสวรรค์ชั้นชั้นเทวดานี้ไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมแลนะสวรรค์ชั้นพระอริยเจ้าสวรรค์ชั้นนิพพานต่อไปอาการที่จะยกระดับใจของเราให้ขึ้นไปสู่ระดับที่สูงกว่าชั้นเทพได้ เราก็ต้องปฏิบัติจิตตภาวานานี่ปฏิบัติจิตตภาวานาคือการปฏิบัติสองขั้นขั้นแรกเรียกว่าสมาถะภาวานาคือปฏิบัติสมาธิเรียกว่าสมาถภ า, าวานาทำใจให้สงบแล้วขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวานาคือทำใจให้ฉลาดนี้เรียกว่าขั้นปัญญาเราต้องปฏิบัติขั้นสมาธิแล้วก็ปฏิบัติขั้นปัญญาตามลาดับ ต้องเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกันไม่ใช่ข้ามขั้นตอนบางคนทําสมาธิไม่ได้ก็กระโดดข้ามไปปัญญาเลยข้ามไปยังไงก็ไปไม่ได้ไม่มีทางที่จะไปได้ต้องผ่านสมาธิก่อนต้องขึ้นจากสวรรค์ชั้นเทศไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมการฝึกสมาธินี้จะยกระดับจิตให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมแล้วอยากจากสวรรค์ชั้นพรหมจะไปสู่สวรรค์ชั้นพระอริยเจ้าไปสู่มรรคผลนิพพานนี้ ก็ต้องไปสู่ขั้นปัญญาถึงจะขึ้นไปได้มันมีขั้นมีตอนเหมือนขั้นบันไดเนี่ยเราจะเดินข้ามขั้นไม่ได้หรือการเรียนหนังสือนี่เราก็ต้องเรียนเป็นขั้นเป็นตอนไปขั้นต้นเราก็เรียนอนุบาลขั้นที่สองก็เรียนขั้นประถมขั้นที่สามเราก็เรียนขั้นมัธยมขั้นที่4ี่เราก็เรียนขั้นปริญญาขั้นอุดมศึกษามันเป็นขั้นเป็นตอนไปมันข้ามไม่ได้ถ้าข้ามได้ก็ไม่ต้องมาทำทานให้เสียเวลาไม่ต้องมารักษาศีลให้เสียเวลา ไปนั่งสมาสมาธินั่งไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนั่งมันคิดทางปัญญาอย่างเดียวมันคิดไม่ได้ไม่มีกําลังที่จะคิดเพราะมันท่าใจไม่มีสมาธินี้จะจะหยุดความคิดที่กิเลสเป็นผู้ดึงไปไม่ได้กิเลสมันมีกําลังมากมันจะดึงใจให้ไปคิดให้ไปเวียนว่ายตายเกิดในตายพบเพียงอย่างเดียวการที่เราจะมาคิดทางปัญญาเพื่อออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้เราต้อง มีสมาธิสมาธินี้จะเป็นตัวที่ตัดกําลังของกิเลสตัณหาไม่ให้มันไปคิดไปในทางเวียนว่ายกายเกิดไม่ให้ไปหาความสุขในการมาพบไม่หาความสุขจากพรมโลกอันนี้ต้องหยุดต้องสกัดความอยากด้วยสมาธิก่อนขั้นต้นเราก็สกัดความอยากด้วยการทําทานเสร็จ แ, แล้วเราก็มาสกัดความอยากด้วยการรักษาศีลแล้วส่วนที่เหลือที่อยู่ในใจเราก็ต้อง ที่ยังมีอยู่ในใจที่ศีลสกัดไม่ได้ที่ทานสกัดไม่ได้เราก็ต้องใช้สมาธิมาสกัดมันมาหยุดมันเมื่อเราหยุดมันได้แบบชั่วคราวแล้วเราถึงจะสามารถมาใช้ปัญญาเพื่อสกัดตัญหาความอยากแบบให้มันหยุดอย่างถาวรได้ต่อไปมันเป็นขั้นเป็นตอนต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนขั้นแรกเราทาทานทาทาน ทำให้อย่าเอาเงินไปใช้กับของฟุ่มเฟือยของหรูหราอย่าไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกมือกายเอาไปทำบุญทำทานไปรักษาศีลห้ากันแล้วถ้าเราจะไปปฏิบัติภาวนาเราก็ต้องเพิ่มศีลจากศีลห้าไปสู่ศีลเพรพะศีลห้าไม่มีกำลังพอที่จะยับยั้งกิเลสตัณหาที่ยังอยากจะไป หาความสุขทางตาหูจมกูกนิ้นกายได้อยู่ uh huh. ถึงแม้ไม่มีเงินมีทอง ม, มันก็ยังมีของให้เสพโดยที่ไม่ต้องเสียเงินได้อยู่ uh huh. มีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถดูได้ทั้งวันดูอะไรก็ได้ฟังอะไรก็ได้เป็นของฟรีไม่ต้องเสียเงินเสียทองแต่มันก็เป็นการเสพการามเหมือนกันเสพรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกันแต่ถ้าเรามาถือศีลแปลนี้ทางวัดเขาก็จะห้ามใครไปไ ป, ไปปฏิบัติตามวัดปฏิบัติเขาจะยึดมือถือไว้ไม่ให้ใช้ uh huh. พอใช้แล้วเดี๋ยวมันก็ไปเสพกรามกันไปดูหนังฟังเพลงในในมือถือกันได้ไปดูเรื่องราวอะไรต่างๆอันนี้ต้องต้องปิดประตูต้องหยุดความอยากเหล่านี้ด้วยการถือศีลแปดศีลห้าไม่พอศีลห้าไม่ห้ามศีลห้ายังปล่อยให้กินได้อยากจะกินกี่มือ้อกินได้พอศีลแปนี่บอกเอาแค่เที่ยงวันก็พอไม่ต้องกินมากเกินไปกินมากก็จะเป็นปัญหาต่อการทําสมาธิ แวลากินอิ่มๆนี้มานั่งสมาธิก็จะนั่งสบงบอยากจะนอนมากกว่าอยากจะนั่งสมาธิมันก็กลายเป็นนิวรนกลายเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติได้ผู้ที่ต้องการที่จะไปปฏิบัติจิตภ า, าวนาเพื่อยกระดับจิตจากสวรรค์ชั้นเทพไปสู่สวรรค์ชั้นพรมไปสู่สวรรค์ของพระอริยเจ้าต้องถือศีลแปดกันละเว้นการเสกการที่เรียกว่า เนคข ม, มะปฏิบัติเนคข ม, มะคือการไม่การยุติการการเสพรูปเสียงกลิ่นลดการออกจากกามผู้ที่มาถือศีลแปนี้บางทีก็เรียกว่าบวชเนคข ม, มะเนคข ม, มะก็คือการออกจากการเสบรูปเสียงกลิ่นลดผลิตภัณฑ์ไม่ดูหนังฟังเพลงไม่หาความสุขทางตาหูจมูกมือกายเอาเวลานี้ไปให้กับการไปภาวนาไปนั่งสมาธิไปเจริญสติ ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบถ้ามัวแต่ไปเสพรูปเสียงจิตลถอยู่ก็จะไม่มีเวลาไปไปปฏิบัติจิตตภาวนาไม่มีเวลาไปเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิเพราะการที่จะทําใจให้สงบเป็นสมาธิได้ต้องมีสติเป็นผู้นําถ้าขาสติแล้วใจก็จะคิดฟุ้งซ่านอยู่เรื่อยๆเมื่อคิดฟุ้งซ่านไปนั่งสมาธิยังไงก็นั่งแล้วก็ไม่สงบไม่ได้ผล ถ้าอยากจะได้ผลนี้ต้องมีสติคอยควบคุมความคิดก่อนที่จะมานั่งต้องฝึกสติก่อนที่จะมานั่งสมาธิต้องมีสติปากคอที่เวลามานั่งแล้วทำให้ใจไม่ฟุ้งได้ทำให้ใจนิ่งให้ใจให้สงบได้หั้นขั้นต้นของการทำสมาธินี้ต้องรักษาสินแตกแล้วก็ต้องเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับ คอยควบคุมความคิดด้วยการใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพุโทโธพุโทโธนี่ก็เป็นกรรมฐานถ้าเราละลึกถึงพุโทโธพุโทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยเรื่อเราก็ไม่สามารถที่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้หรือใช้กายกตาสติเข้าดูการกระทําของร่างกายตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายกํลาลังทําอะไรเราก็ต้องรู้ว่าเรากําลังทําสิ่งนั้นอยู่กับสิ่งนั้นไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่น อันนี้เป็นการฝึกสติถ้าเราสามารถดึงใจให้อยู่กับพุทธโธได้อยู่กับร่างกายได้เราก็จะสามารถนั่งสมาธิได้เวลานั่งสมาธิก็จะไม่รู้สึกอึดอัดจะไม่รู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้คันตรงนั้นคันตรงนี้พอนังปั๊บมันก็ดูลมหายใจต่อก็ได้หรือจะใช้บริกรรมพุทธโธพุทธโธต่อก็ได้ถ้ามีสติมาแล้วมันก็จะทาต่อได้ง่าย ถ้ามีพุทธโธมาก่อนล่วงหน้าแล้วพอมานั่งสมาธิก็พุทธโธได้เลย mm hmm. ถ้าดูร่างกายก็เปลี่ยนมาดูลมหายใจแทน mm hmm. ไม่ต้องทําทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่ต้องใช้พุทเข้าโทออกแต่ถ้าอยากจะใช้ก็ไม่ห้ามถ้าเราสะดวกที่จะใช้อย่างใดยอย่างหนึ่งก็ได้จะใช้คำบริกรรมบริการพุทธโธพุทธโธเพียงอย่างเดียวก็ได้จะใช้การดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวก็ได้ mm hmm. มันจะง่ายกว่าไม่ต้องมาวุ่นวายกับ ทั้งลมทั้งพุโทโธนะแล้วแต่เราจะชอบแบบไหนเราก็เลือกเอาได้ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วรับประกันได้ว่านั่งสมาธิไม่นานห้านาทีสิบนาทีใจก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้พอนิ่งสงบแล้วใจก็มีความสุขตอนนั้นตันหาความอยากที่มันเคยเคยสร้างความวุ่นวายใจให้กับเรามันก็จะหยุดทางานพอตันหาความอยากหยุดทางาน ใจก็นิ่งสงบใจเกิดความสุขขึ้นมาเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพอเราได้เข้าถึงความสุขอันนี้แล้วเราถึงจะเข้าใจว่าอ๋อทำไมเราถึงต้องเลิกเสบรูปเสียงกิรนรลเพราะความสุขจากรูปเสียงกิรนรลนี้มันสู้ความสุขจากความสงบไม่ได้นั่นเองพอเราได้ความสุขจากความสงบแล้วเราก็จะเริกตันหาความอยากเสบรูปเสียงกิริได้ด้วยปัญญา ตอนที่อยู่ในสมาธินี่มันจะหยุดความอยากได้ชั่วข่าวแต่พอจากสมาธิมาพอจิตไม่สงบตั้หาความอยากมันก็จะออกมาชวนให้ไปเสพรูปเสียงกลกิ่นรสอีกก็ต้องใช้ปัญญาสอนให้เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นความทุกข์เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เวลาไม่ได้ก็ทุกข์หรือเวลาได้มาแล้วเวลาเสียมันไปมันก็จะทําให้ทุกข์อกีกถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปเสพรูปเสียงกลิ่นรส เมื่อเห็นว่ามันเป็นการไปหาความทุกข์ก็เลยหยุดมันหยุดมันด้วยปัญญาด้วยสมาธิด้วยด้วยใจที่มีความสงบเป็นผู้สนับสนุนพเพราะใจรู้แล้วว่าเราไม่ได้มีเราไม่ได้เสพรูปเสียงสิเลสเราก็อยู่ได้มีความสุขได้เห็นเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็สอนใจอย่าไปเสพมันเพราะว่าการไปเสพนั้นเป็นการไปหาความทุกข์พอเห็นว่าเป็นการไปหาความทุกข์มันก็จะหยุดความอยากไปได้อย่างท้าวอน พอหยุดความอยากได้อย่างถาวรก็ไม่มีอะไรที่จะมาดึงใจให้กลับไปเวียนว่ายตายเกิดเด็กต่อไปความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็จะหายไปหมดเมื่อไม่มีความอยากมันก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีตาหูจมูกนิ้งกายเมื่อไม่มีไม่ต้องมีตาหูจมูกนิ้งกายก็ไม่ต้องเกิดไม่ต้องมีร่างกายเมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีการแก่การเจ็บการตายไม่มีความทุกข์อีกต่อไปก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรด้วยการปฏิบัติ ทานศีลภาวนานการบรรลุธรรมเหล่านี้เรียกว่าปฏิเวทบรรลุขั้นสมาธิขั้นปัญญานี่เรียกว่าปฏิเวทบรรลุมรรคผลนิพพา น, นพอเราบรรลุแล้วทีนี้เราก็หมดภาระและ้วไม่มีอะไรต้องทํำละก็เหลือแต่งานที่จะช่วยผู้อื่นต่อไปก็ดูเลือกคนว่าใครอยากจะให้ช่วยเหลือก็ช่วยเขาไปใครอยากจะให้สอนก็สอนใครไม่อยากจะให้สอนก็ไม่สอนไม่บังคับกันปล่อยให้เป็นไปตามศรัทธา ก็จะทําให้คนที่ไม่มีความรู้ได้มาเรียนรู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติแล้วก็ได้บรรลุธรรมตามลําดับต่อไปศาสนานี้จะอยู่นานเท่าไหร่ก็อยู่กับจํานวนของผู้ที่บรรลุธรรมถ้ามีผู้บรรลุธรรมมากก็จะอยู่ได้นานมีผู้บรรลุธรรมน้อยก็จะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าศาสนานี้ไม่ได้อยู่ที่ถาวรลวัตถุต่างๆถาวรลวัตถุนี้เป็นของง่ายจะสร้างเมื่อไหร่ก็สร้างได้ แต่ของยากก็คือสร้างพระอริยะบุคคลขึ้นมาผู้ที่จะสามารถรักษาพระธรรมคําสอนและเผยแผ่พระธรรมคําสอนได้ต้องเป็นพระอริยะบุคคลเท่านั้นนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้พวกเราทํากันก็คือให้เราศึกษาให้เราปฏิบัติเพื่อให้เราได้บรรลุเป็นพระอริยะบุคคลเมื่อเราเป็นพระอริยะบุคคลแล้วเราก็จะได้เผยแผ่สั่งสอนธรร ม, มะที่เป็นของจริงของแท้ได้อย่างถูกต้องแม่นยํา ใครที่มาศึกษาก็สามารถนำเอาไปปฏิบัติและบรรลุเป็นพระอริยต่อไปได้ศ<ม>าสนาของเราถ้าตราบใดมีพระอริยบุคคลอยู่ตราบนั้นศาสนาของเราจะไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไป<ม>นี่คือเรื่องของการรักษาธรรมนุบารุงพระพุทธศาสนาะที่เป็นมรดกอันล้าค่าที่พุทธเจ้าทรงมอบให้กับพวกเราก็ขอให้พวกเราจงนาเอาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขของตนและของของส่วนรวมที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาเลวาหาปุราปริลปุเรนติสากลังเอวามวาอิโตทินางเปตานางอุปกาปติ <c oughs> ยุจิตังปฏิตามตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยัามณิโชติอาราโสยัาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพารุโควินาสตุมาเตภวะตวันตรารโยสุขีตีคายุโกภวะ อาพิวาทนศีิตสานิจังวุธาปจายโนจตารธรรมะวาทานติอายุวันโนสุขังภาลาัช่วงต่อไปนี้ก็ช่วงถามตอบคำถามอาจจะถามได้ไม่นานเพราะถ้าฝนตกเมื่อไรก็คงจะต้องเลิกเมื่อนั้น <c oughs> แต่ก็ถามไปเรืเร่อยๆ ก, ก่อนตอนนี้น วันนี้ใครอยากจะถามเองก็ถามได้ไม่มีไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้มีมือถือก็ส่งมาทางเพจทางทางเฟซทางยูทูบก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมาหน้ากุดจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ475ท่าน YouTube พระสุชาติ Live 321 YouTube DrV Channel 62วิทยุออนไลน์12ขับ h o u s ์6หน้ากุด174รวมทั้งหมด 1,050 ท่านค่ะคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุดค่ะ ข้อที่หนึ่งถ้าซื้อปูมาปล่อยแล้วปูตายเราจะเป็นบาปไหมครับคะก็อยู่ที่ว่าเราทำยังไงถ้ารับประมาทไม่รอบคอบมันก็ไม่บาปแต่มันก็ไม่ควรเมื่อเราเอาชีวิตเข้ามาเราก็ต้องระมัดระวังอย่าให้เขาตายจากการกระทำของเราโดยประมาทแต่ถ้าเป็นารทำสุดวิสัยมันมันจะต้องตายไปย ก, ก็ไม่บาปถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะทาให้เขาตาย ข้ะสองถ้าฝันว่ามีวิญญาณจะให้ไปอยู่ด้วยมีความหมายอะไรหมาอย่างไรเจ้าคะไม่มีหรอกมันอยู่ที่ใจเราคิดปรุงแต่งไปเป็นความคิดปรุงแต่งของเราเวลาที่เรานอนหลับไปเท่านั้นเองจะมีความหมายก็บางถ้าเราฝันดีก็บ่งบอกว่าเราทําบุญไม่มากกว่าทําบาปถ้าเราทําบาปถ้าเราฝันไม่ดีก็แสดงว่าเราทําบาปไว้มากกว่าทําบุญมันก็อยบอกในลักษณะนั้น นามัส ก, การค่ะพระอาจารย์หนูอยากจะลบกวนถ่ามค่ะคือรู้ว่าต้องอย่าอย่าภาวนาด้วยความเคร่งเครียดอะค่ะพระอาจารย์แต่พอถึงเวลาจริงมันก็ตั้งใจขึ้นมากๆทุกทีแล้วมันก็ไปแบบเหมือนเครียดอะค่ะมันมีความเครียดอยู่อะค่ะเครียดเพราะวาความอยากจะได้ผลเราต้องทำใจว่าการทำแต่ละครั้งนี้มันไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ แต่สิ่งที่เราได้ก็คือความเพียรให้เราคิดแค่นี้ก็พอทุกครั้งที่เราทํานี้เราได้ความเพียรนะความเพียรพยายามแต่ผลความสงบหรือไม่สงบนี้อาจจะได้ไม่ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับสติของเราเราก็อย่าไปเครียดกับผลเพียดกับเหตุก็คือความเพียรให้เราว่าอย่างน้อยเราก็ได้ความเพียรละเราได้ทํำละแต่อย่าได้ผลหรือไม่ผลก็อยู่ว่าทําถูกหรือไม่ถูก หาสติหรือไม่มีมีสติหรือไม่มีสติถ้าไม่มีสติก็พยายามฝึกสติให้มากขึ้นอย่าไปคิดถึงผลคิดถึงสติว่าตอนนี้เรามีสติอยู่กับลมหรือเปล่าอยู่กับพุโทโธหรือเปล่าให้มีแค่นี้ก็พอหนายถึงว่าถ้ามันยังตั้งใจอยู่ตอนนี้ก็ให้พยายามกลับมารู้สึกตัวให้มันเยอะขึ้นอย่างนี้หรอคะให้มีสติไงความตั้งใจมันมีไว้สำหรับให้เราเริ่มต้นพอเราทําแล้วเราไม่ต้องไปสนใจความตั้งใจแล้ว ม, มันพาเรามาถึงจุดที่เราต้องการแล้วคือการปฏิบัติพอเราปฏิบัติเนี่เราต้องมาสนใจกับเรื่องสติอย่างเดียวความตั้งใจจะอยู่ก็ชั่งมันแต่เอาใจมาโฟกัตตสตรงนี้ให้มันอยู่กับสติให้มันอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจก็ถึงมันจะยังมีความเครียดหรืออะไรอยู่ก็ให้ให้มาอยู่ตรงพุทโธแทน่ถ้ามีสติมันไม่คเครียดหรอกที่มันเครียดแสดงว่าเรายังไม่มีสติพอ เราฝึกสติน้อยไปเราต้องพยายามฝึกสติให้มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะคำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะ อันหนังสือของท่านที่มีถามตอบในเล่มบางคำถามคำตอบยาวมากหรูอชอบในคำถามที่ท่านอาจารย์ตอบมากค่ะอยากพิมพ์เผยแพร่ใน Facebook ตัวเองสามารถสรุปย่อลงหรือคัดเอาบางส่วนบางตอนได้ไหมคะคือถ้าไม่ไปเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงของของเดิมก็ทำได้อย่าไปเปลี่ยนเอาคาพูดของเราไปบิดเป็นอีอย่างนี้มันก็ไม่ควรเอาพูดยังไงก็ถ่ายทอดไปอย่างนั้นก็ได้อยู่ไม่ช่งลิขสิทธ แต่ยาวคำพูดของเราไปบิดเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอีกเรื่องนี่อีกอย่างไปก็ไม่ได้ไม่ควรเพราะไม่ใช่เป็นคำพูดของเราแล้วค่ะคำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะ มาปฏิบัติธรรมบนเขาเข้าวันที่เก้าแล้วนั่งได้ครั้งละหนึ่งสองชั่วโมงทนเวทนาได้บ้างแต่จิตยังไม่รวมยังไม่รู้สึกว่ามีความสุขยังอยากกลับบ้านจึงรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังขอพระอาจารย์เมตตาสั่งสอนด้วยเจ้าค่ะก็ขาดสติสติยังมีกำลังไม่มากพอที่จะสู้กับความอยากได้ก็ต้องขยันเจริญสติตลอดเวลา ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งสมาธิเทะานั้นหรือเดินจยงกงควรจะเริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พูดโทรไปเลยหรือเฝ้าดูร่างกายไปเลยอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเรามีสติอย่างต่อเนื่องเป็นสัมปะชัญญะแล้วเวลานั่งมันจะทำให้จิตสงบได้ง่ายคาถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ ข้อที่หนึ่งเป็นเพราะเราหลงเข้าใจผิดว่าร่างกายคงทนถาวรและเข้าใจว่าเป็นของเราเราจึงทุกข์ใช่ไหมเจ้าคะแต่ความจริงแล้วร่างกายเดี๋ยวก็แตกสลายธาตุสี่กลับคืนสู่ธรรมชาติจึงต้องทําความเข้าใจใหม่ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของคงทนถูกต้องไหมคะถูกต้องต้องคอยแก้ความหลงเราไม่หลงผิดคิดว่ามันจะอยู่กับเราไปนานๆแต่มันเป็นของชั่วคราว เหมือนสมัยก่อนคนคิดว่าเป็นโลกโลกนี้มันแบนแล้วนักวคทยาศาสตร์ก็มาสอนหม่ว่ามันไม่แบนมันกลมเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดเราแค่นึงมันเป็นเรื่องของความคิดคิดผิดแล้วก็มาแก้ให้มันถูกแค่นึงคิดว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นดินน้ำลมไฟมารวมตัวกันแล้วก็สร้างรวมตัวมาเป็นอาการ32ผมขนเล็บฟันชิ้นส่วนเหล่านี้มัน ม, มันเป็นตัวเราหรือเปล่าผมเป็นเราหรือเปล่าเวลาตัดผมทิ้งไปเราหายไปกับผมหรือ ไม่ได้หายเวลาตัดเล็บไปเราหายไปกับเล็บรึเปล่าไม่หาย<ม>เราั้นเราอาการ32นี้ไม่มีอะไรที่เป็นเราเลยเราไปตู่ขึ้นมาเองว่าเป็นเราเป็นของเราเท่านั้นเอง<ม>เราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าไม่ใช่ตัวเราของเรา ม, มันไม่เที่ยงมันจะต้องตายมันจะต้องแก่ต้องเจ็บ<ม>คิดอย่างนี้ไปเรืยยยยย่อยๆแล้วต่อไปใจมันก็จะยอมรับความจริงได้แล้วมันก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไปค่ะ คำถามข้อที่สองค่ะปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าไม่อยากเป็นเจ้าของอะไรเพราะเมื่อไปเป็นเจ้าของแล้วจะทุกข์เมื่อเราไม่เป็นเจ้าของแล้วก็จะไม่ทุกข์จะไม่สนใจคนอื่นเรื่องอื่นจะสนใจแต่ตัวเองจิตใจตนเองคอยสํารวจจิตใจปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะก็ถูกต้องเราเพราะไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นของชั่วคราวเราต้องพร้อมยินดีที่จะให้มันจากเราไปเมื่อถึงเวลา แต่ถ้าเรายังมีความจําเป็นจะต้องมีต้องใช้ก็ต้องมีเหมือนไปตามตามเหตุตามผลท่านั่นเองยังไม่มีคําถามมากค่ะอของในโลกนี้ของทุกอย่างมันมีอยู่ของมันเป็นอย่างของมันอยู่เราเพียงแต่มามาเที่ยวมามาสัมผัสรับรู้แล้วเดี๋ยววันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไป เกลับในมัธยมการพระอาจารย์เจ้ค่ะอยากจะถามว่าเวลาโยมไปปฏิบัติในสัตชิกเจ้าค่ะมไม่ไม่ไม่นอนอย่างเงี้ยโยมก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติได้ดีมีกําลังของสมาธิได้ดีรู้สึกถึงการปฏิบัติที่เข้มข้นดีทุกอย่างดีหมดแต่พอโยมออกจากในสัตชิกมาทํางานโยมมึนเจ้าค่ะโยมจะรู้สึกว่า กําลังในการทํางานหรือว่าการประกอบอาชีพของโยมเนี่ยมันถดถอยเองเจ้าค่ะเลยจะลุกขนสอบถามพระอาจารย์ว่าโยมจะบรรลานชีวิตโยมยังไงให้พอเหมาะทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างนี้เจ้าค่ะคือทางโลกนี่บางทีก็มีถดถอยบางทีก็มีเจริญมันไม่ได้มาเกิดจากการปฏิบัติธรรมของเราหรอกงานจะเป็นจังหวะที่มันจะถดถอยมันก็ถดถอย เวลามันจะเจริญมันก็เจริญบางคนไม่ทําบาปกลับมากับชีวิตกลับเจริญก็ได้บางคนไปทําบุญกลับมาชีวิตถดถอยก็ได้มันไม่เกี่ยวกันมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลการทําบุญนี้มันทําให้เจริญทางจิตใจการทําบาปมันเป็นการทําให้เสื่อมทางจิตใจมันไม่ได้เกี่ยวกับทางโลกทางโลกมันอยู่มันอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังไม่แน่นอนไม่เที่ยงมีขึ้นมีลงมีเจริญมีเสื่อม แล้วเราอย่าเอาเรื่องของการปฏิบัติธรรมมาวัดกับผลทางโลกมันคนละเรเื่องกันอย่าจับแพะมาชนแกะเราจะทําทให้เราท้อแท้ต่อการปฏิบัติเราปฏิบัติเราดูที่ใจของเราว่าใจเราดีขึ้นไหมมีสติมากขึ้นหรือเปล่าสงบมากขึ้นหรือเปล่าเย็นมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้คือผลที่เราควรจะได้จากการปฏิบัติธรรมแต่ทางธุรกิจอาจจะเจ๊งก็ได้เพราะอันนี้บางทีไม่ปฏิบัติธรรมมันก็เจ๊งได้ไม่เกี่ยวกัน แล้วเวลาโยมออกจากเนชชิกมาปัญหาของโยมก็คือว่าสมองของโยมอ่ะมันจะทํางานช้ากว่าปกติเจ้าค่ะมันไม่ค่อยไม่เที่ยวกันหรอกมันช้าเพราะว่ามันขาดนอนแ ม, มันก็ต้องกลับไปพักผ่อนหลับนอนคืร่างกายมันขันขาดพักผ่อนหลับนอนก็พักผ่อนหลับนอนสักพักเดียวมันก็กลับมาเป็นปกติเองการนมัสการเจ้าค่ะ ก็ต้องดูว่าในสัตว์ชีิกเหมาะกับเราหรือไม่ถ้ามันไม่เหมาะก็ไม่ควรจะใช้มันเพราะว่าแต่ละคนนี้อาจจะมีความเหมาะสมไม่เท่ากันไม่เหมือนกันอาจจะไปเหมาะกับการอดอาหารแทนก็ได้หรือเดินจงกรมมากๆนั่งนานๆในแทนก็ได้ต้องเลือกเอาอุบายของการปฏิบัติมันแล้วแต่เหมาะกับเจริตของแต่ละคนถ้าทําไปแล้วมันมีปัญหามีอุปสรรคก็อาจจะเป็นเพราะมันไม่ถูกกับจริตของเรา เราก็ลองเปลี่ยนวิธีใหม่เลยแทนแทนที่จะในสัตย์ช็กเราก็เดินจงกรมมากมเวลา ง, ง่วงก็จะลุกขึ้นมาเดินจงกรมมากมเดินจังการมันจะหายหรือไปไปอยู่ปา่าช้าก็ได้ไปอยู่กับอาจารย์ใหญ่ให้ดูก็ได้ถ้า <c oughs> ง่วงนอน <c oughs> จ, ะจะหายง่วงเลยไม่ต้องในสัตย์ช็กแค่เสียเวลา <c oughs> พาอมันต้องใช้สติมากพอใช้สติใจก็ตื่นมันใจใจก็จะไม่ง่วงมไม่ต้องมีไม่ต้องในสัตชิกก็ได้นะลองดูคำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะสติกับการรู้สึกตัวเหมือนกันไหมครับก็แล้วแต่ว่ารู้สึกตัวแบบไหนรู้สึกตัวแบบใจลอยอก็ไม่ก็ไม่มีสติ อ, อยู่ดี รู้สึกตัวแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้น <IN> s <good>. <S เรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่ก็ไม่ไม่ใช่สติสติต้องไม่คิดอะไรให้อยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกตัวอยู่เท่านั้นแค่รู้สึกร่างกายว่าร่างกายเรากําลังทําอะไรความจริงไม่ใช่คําว่ารู้สึกหรอกให้รู้ไม่ใช่ให้ไม่ให้รู้สึกให้รู้ว่าร่างกายกําลังทําอะไรกําลังเดิน <S <S <inde fin ite> กํน nên, าลังยืนกําลังนั่งกําลังนอนกําลังกินกําลังอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันให้รู้อยู่กับมันอย่าไปรู้เรื่องอื่น ในขณะที่ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ยงน้นเรียกว่ามีสติแต mm. ่ถ้ารู้สึกแล้วก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้มันก็ไม่ใช่สติ mm. สติต้องไม่คิดให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้คำถามจากทางยูท b ปพระอาจารย์สุชาติค่ะการปฏิบัติสมาธิและสติต่างกันอย่างไรคะสติเป็นเหตุที่จะทำให้ใหเกิดสมาธิสมาธิก็คือความสงบของใจ ใช้เป็นเหมือนรถยนต์เรถยนต์ที่วิ่งอยู่นี่จะทำให้มันหยุดได้ก็ต้องใช้เบรกต้องเหยียบเบรกการเหยียบเบรคนี่เรียกคือสติแล้วพอเบรคจนกระทั่งรถจอดนิ่งก็เรียกว่าสมาธิ <Okay. S 1> เราใช้สติหยุดความคิดหยุดหยุดไปเรื่อยกๆจนกั่ามันจะหยุดคิดเลย <Okay. S 1> มันจะว่ามันจะนิ่งพอมันนิ่งมันก็เป็นสมาธิขึ้นมาเนี่ย <Okay. S 1> สติเป็นเหตุสมาธิเป็นผล <Okay. S 1> อยากจะนั่งสมาธิต้องมีสติถึงจะได้สมาธิ okay. ถ้าไม่มีสตินั่งปจ Desde, ัจจุบันตายก็ไม่ได้สมาธิยังไม่มีคำถามค่ะไม่มีก้าวท่านนี้ก่อนนะเดี๋ยวฝนตกจะได้ไม่ต้องรีบร้อนกันบบหลบฝนกันก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอ